26. ปัญจภาพาวัตถุว่าด้วยอ า, าพาธห้าชนิดเรื่องอันตรายิกธรรมข้อ88สมัยนั้นในแค้นมคตเกิดโรคระบาดขึ้นห้าชนิดคือวงเล็บหนึ่งโรคเรื้อนวงเล็บสองโรคฝีวงเล็บสา โ, โ, โรคกลากวงเล็บสี่โรคมองคอวงเล็บห้าโรคลมบ้าหมู พวกมนุษย์ถูกโรคห้าชนิดเบียดเบียนพากันไปหาหมอชีวโกโกมารพัฒกล่าวว่าขอโอกาสคุณหมอช่วยรักษาพยาบาลพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดหมอชีวโกโกมารพัฒกล่าวว่าท่านทั้งหลายผมมีกิจมากมีงานต้องทํามากพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครุราชพระสนมและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขผมก็ต้องพยาบาล ผมไม่สามารถรักษาได้มนุษย์เหล่านั้นกล่าวว่าคุณหมอทราบสมบัติยกให้ท่านทั้งหมดทั้งพวกข้าพเจ้ายอมเป็นทาสของท่านขอโอกาสขอความกรณารักษาพวกข้าพเจ้าด้วยเถิดหมอชีวโกโกมรพัฒตอบว่าท่านทั้งหลายผมมีกิจมากมีงานต้องทํามากพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมกุฎราชนางสนมและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก ผมก็ต้องพยาบาลผมไม่สามารถรักษาพวกท่านได้ขณะนั้นมนุษย์เหล่านั้นมีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะเชื้อสายสกยตบุตรเหล่านี้มีลักษณะนิสัยดีประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารดีนอนในห้องมิดชิดถ้ากระไรพวกเราพึงบรรพชาในพวกสมณะเชื้อสายสกยตบุตรในที่นั้นภิกษุทั้งหลายจากพยาบาลและหมอชีวกโกมารพัฒจากพยาบาล ต่อมาจึงเข้าไปขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ให้บรรพชาให้อุปสมบทพวกภิกษุก็ต้องพยาบาลและหมอชีวโกมารพัทก็ต้องพยาบาลพวกเขาครั้นต่อมาภิกษุทั้งหลายพยาบาลภิกษุไขเนน้เป็นอันมากเป็นผู้มากด้วยการขอมากด้วยการออกปากขอว่าจงให้อาหารสําหรับภิกษุผู้เป็นไข้จงให้อาหารสําหรับภิก ษ, าาพกษุพยาบาลไข้ จงให้ยาสำหรับภิกษุผู้เป็นไข้แม่หมอชิวโกโกมรพัฒมัวรักษาภิกษุไข้เป็นอันมากก็ปฏิบัตรริราชการบางอย่างบกพร่องข้อ89ฝ่ายบุรุษคนหนึ่งถูกโรคห้าชนิดเบียดเบียนก็เข้าไปหาหมอชิวโกโกมรพัฒเรียนว่าขอโอกาสคนหมอช่วยรักษากระผมด้วยเถอหมอชิวโกโมรพัฒกล่าวว่าแน่นายผมมีกิจมาก มีงานต้องทำมากพระเจ้าพิมิสารจอมทัพมังรรัตพระสนมและภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกผมก็ต้องพยาบาลผมไม่สามารถรักษาได้คุณหมอทรับสมบัติยกให้ท่านทั้งหมดทั้งกระผมยอมเป็นทาสของท่านขอโอกาสโปรดรักษากระผมด้วยเถิดแน่พระนายผมมีกิจมากมีงานต้องทำมากพระเจ้าพิมิสารจอมทัพมัรัต นางสนมและพีกสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกผมก็ต้องพยาบาลผมไม่สามารถรักษาได้ขณะนั้นบุรุษนั้นมีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้มีลักษณะนิสัยดีประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารดีนอนในห้องมิชิตท่ากระไรพวกเราพึงบรรประชาในพวกสมณะเชื้อสายสกยบุตรในที่นั้น ภิกษุทั้งหลายจากพยาบาลและหมอชีวโกโกมรารพัฒจักรักษาเราหายโรคก็จะสึกจึงเข้าไปขอาการบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ให้บรรพชาให้อุปสมบทพวกภิกษุก็ต้องพยาบาลและหมอชีวโกโกมารพัฒก็ต้องรักษาเขาหายโรคแล้วก็สึกหมอชีวโกโกมารพัฒเห็นบุรุษนั้นศึกจึงถามว่าท่านได้บรรพชาในหมู่ภิกษุมิใช่หรือบุรุษนั้นตอบว่าใช่ขอรับ ท่านได้ทําเช่นนั้นเพื่ออะไรบุรุษนั้นได้บอกเรื่องนั้นให้หมอชิวโกโมรารพัททราบหมอชีวโกโมารพัทจึงตำหนิประนามพลธนาว่าไฉนพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงให้กุลบุตรผู้ถูกโรคห่าชนิดเบียดเบียนบรนปรชาเล่าแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรกราบทูลว่าขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้กุลบุตรผู้ถูกโรคห้าชนิดเบียดเบียนบรรพชาพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หมอชีวโกโกมรพัฒเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหันแกล้ากล้าปลอบชฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วลำดับนั้นหมอชีวโกโกมรพัฒซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อ า, านหารแกล้วกล้าปลอบชลมใจให้สดชื่นราเริงด้วยท้ามีคถาแล้วจึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณจากไป